อาจาริ์สอนโยมทั้งหลายเคยเห็นหน้าเยอะมากเลยพวกเราชาวพุทธเราต้องมีความเชื่อมั่นอยู่เรื่องหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆไม่ใช่สภาวะอุดมคติเรื่องเรื่อยๆสภาวะหลอกเด็กไม่ใช่นิพพานมีจริงๆมรรคผลมีจริงๆนะทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดมากเกิดผลมีจริงๆรินยังไม่ล้าสมัยนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนิพพานอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่เคยเห็นเพราะใจเราไม่มีคุณภาพพอแล้พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้นท่านก็มาบอกทางให้ทางที่เราจะเจริญสติจเจริญปัญญาส่วนเราสามารถเข้าไปเห็นพระนิพพานได้ น, นิพพานมีอยู่แล้วนมีอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่ไม่เคยเห็นเนาะ ใจไม่มีคุณภาพเรามาพัฒนาคุณภาพของใจของตัวเองถ้าใจเรามีคุณภาพพอเราจะเห็นนิพพานคนที่เห็นนิพพานแล้วจะมีความสุขอย่างไม่มีอะไรเปรียบไม่ใช่สภาวะที่ตั้งขึ้นมาลอยๆหลอกเด็กนะว่าทำดีแล้ววันหนึ่งไปนิพพานไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านบอกชัดเจนถึงสภาวะของพระนิพพานท่านบอกชัดเจนถึงเส้นทางไปสู่พระนิพพาน นให้ประจักษ์พรนิพพานความจริงจะใช้คําว่าไปสู่นิพพานก็ไม่เชิงนะแต่เข้าไปประจักษ์นิพพานเพรนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละเราไม่เห็นเองไม่ใช่ว่านิพพานอยู่ไกลๆเราต้องไปสู่พระนิพพานไม่ใช่นะใครจะนึกใครจะฝันว่านิพพานอยู่อยู่กับตัวเราเองแค่นี้เองถ้าคนใดภาวนานะจิตใจมีคุณภาพพอเห็นพระนิพพานแจ่มแจ้งต่อหน้า ต, ตานี่จะรู้ว่าชีวิตนี้ ม, มันมันมีที่สุดของความทุกข์อยู่ตรงนี้เองชีวิตที่เหลือนี่เป็นชีวิตที่มีความสงบสุขพระนิพพานนั้นมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะลักษณะเฉพาะของพระนิพพา น, นี้เรียกว่าสันติสันติหมายถึงสงบลักษณะของนิพพานคือสงบสงบจากอะไรบ้างสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแตง่ง ทั้งปรุงรูปประธรรมนำมารมทั้งปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกนสงบจากกิเลสแต่ไม่ใช่สงบจากทุกสิ่งทุกอย่างนิพพานยังมีอยู่ไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเราอย่าไปเข้าใจผิดว่านิพพานว่างๆว่างๆแล้วเป็นนิพพานคําว่าว่างว่าๆมันคือตรงกับคําว่าอากาสานัญาจยตนะว่างๆช่องว่างไม่มีอะไรเลยตรงกับคําว่าอากินจัญญายตนะ ยังไม่ใช่พานิพาน์นิพานมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนิพาน์ว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากทุกข์ว่างจากขันแต่ไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรเลยมีสิ่งที่เป็นมีอยู่นะมีความสงบมีความสุขไม่มีอะไรเสมอเหมือนกับพานิพานธ์ท่านบอกว่านิพานนางประมังสุขขังนิพาน์เป็นบรมสุขนิพานนางประมังสุนญยังนิพาน์ว่างอย่างยิ่ง ว่างอย่างยิ่งไม่ใช่ว่างไม่มีอะไระถ้าว่างไม่มีอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าว่างแล้วมีตัวมีตนนิพพานมีตัวมีตนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความจริงว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากทุกข์ว่างจากขันว่างจากทุกเรามาสังเกตใจของเราใจเราไม่เคยว่างจากกิเลสดูออกไหมทั้งวันกิเลสเกิดทั้งวันดูออกยังกันเนี้ยกิเลสมันเกิดขึ้นมานะ ใจมันไม่ว่างจากกิเลสไม่ไม่เห็นนิพพานสิใจเราหยุดปรุงแต่งไหมคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนนึกออกไหมนะใจที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมีกิเลสใจที่ไม่มีคุณภาพเนี้ยคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนเราก็เลยไม่เห็น ส, นสภาวะที่พ้นจากกิเลสสภาวะที่พ้นจากความปรุงแตง่งคือไม่เห็นนิพพานเรากปคิดว่านิพพานอยู่ใกล้ไกลอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเป็นสภาวะอุดมคติที่พระพุทธเจ้าตั้งมาหลอกเด็กให้คนทําดีนะ บางคนคิดร้ายกว่านั้นอีกนะหาว่าพระสร้างเรื่องนิ้ผ่านมาหลอกให้คนทาบุญไปกันใหญ่เราดูใจของเราใจเราไม่เคยว่างจากกิเลสใจเราไม่เคยว่างจากความปรุงแต่งไม่ปรุงชั่วก็ปรุงดีนะไม่ปรุงดีก็ปรุงว่างๆปรุงชั่วเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารนะปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงว่างๆชื่ออาเนชาพิสังขาร งั้นถ้าเราเริ่มต้นภาวนาเราน้อมจิตไปหาความว่างอันนี้ถูกไหมไม่ถูกหรอกไม่คือความปรุงแต่งชนิดที่สามนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้น้อมจิตไปหาความว่างนะนิพานนั้นพ้นจากขันจิตของพวกเรายึดถือขันเรารู้สึกไหมกายนี้คือตัวเราใจนี้คือตัวเรานะสามใดที่ยังรู้สึกกายเป็นเราใจเป็นเราแล้วจิตไปหยิบฉวยเอากายขึ้นมาไปหยิบฉวยเอาใจขึ้นมาก็ไม่เห็นนิพานสิ เพราะนิพพานมันว่างจากรูปนามว่างจากธาตุจากขันนี่นิพพานว่างจากทุกขว่างจากทุกนี่จะพ้นจากทุกได้ก็ต้องว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากขันตัวขันนั่นแหละตัวทุกตราบใดที่จิตใจเรายังไปหยิบฉวยเอาขันห้ามาเป็นของเราอยู่นะมาเป็นตัวเรามาเป็นของเราอยู่ก็เท่ากับเรายังหยิบฉวยตัวทุกเอาไว้นก็จะต้องทุกต่อไปไม่เห็นนิพพานเพราะนิพพานมันเลยตัวขันไป ถ้าจิตใจของเราเข้าถึงปณิพนิพัทธนะล้างกิเลสได้ใจพ้นจากความปรุงแต่งความปรุงแต่งมีไหมความปรุงแต่งมีขันยังทํางานอยู่นะพระอราหันต์ที่ยังมีชีวิตยอยู่นะขันยังทํางานอยู่มันยังปรุงแต่งอยู่แต่จิตเนี่ยมันแยกออกไปจากความปรุงแตง่งจิตมันพลาดออกจากขันะขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตนะไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างทงาําหน้าที่ของตัวเองไปนะส่วนของเราไม่หรอก ขันทำงานนะัจิตเข้าไปตะครุบว่าขันนี้เป็นตัวเราะแล้นเราก็เลยไปหยิบเอาตัวขันขึ้นมาถือไว้แล้วก็เท่ากับหยิบเอาตัวทุกข์มาถือไว้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าขันเหมือนถ้วยน้ําเนี่ยถ้วยน้ํามันวางอยู่ตรงนั้นเราไม่ไปหยิบขึ้นมาเราไม่หนักนะถ้าเราไปหยิบขึ้นมาเนี่ยถือไว้เรื่อยๆหนักนะงั้นขันห้าเป็นภาระเป็นของหนักพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าคนทั้งหลายแบกของหนักไปแบกบของหนักแบบภาระไป ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงร่างอริยะเจ้าวางของหนักลงแล้วเลยก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกของหนักก็คือตัวขันนั่นเองอ ร, ริยะเจ้าวางของหนักลงแล้วแล้วไม่หยิบเวยขึ้นมาอีกท่านเลยพ้นจากทุกข์นั่นคืไปจักแจ้งพระนิพพานลําพังถ้าพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานแล้วพูดลอยๆแค่นี้นะยังไม่อจจัศจรรย์ไกลไปว่าท่านคนพบมาคนเดียวแล้วท่านก็มาพูดพูดให้เราฟังเราไม่มีทาง รู้เห็นตามท่านได้เลยถ้าเช่นนั้นแล้วศาสนาพุทธจะไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ใช่ของอัศจรรย์แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์นั้นเพราะท่านบอกทางที่เราเห็นตามได้เราสามารถเห็นตามได้สันทิติโกเห็นตามได้นะรู้เห็นได้ไม่ใช่รู้เฉพาะตัวเองและธรรมะท่าไม่เคยเก่าเรียกว่าอัการิโกบางคนมาพูดไม่ดีนะบอกว่ายุคนี้ไม่มีแล้วมรรคนิพพาน พูดเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจำกัดด้วยเวลาจริงๆธรรมะท่าไม่จํากัดด้วยเวลามันจํากัดด้วยผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ปฏิบัติไม่มีไม่มีคนปฏบิปฏบตฏัติมันก็ไม่ได้ผลผู้ปฏิบัติปฏิบัติผิดมันก็ไม่ได้ผลไม่ใช่ธรรมะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลธรรมะของท่านนั้นมีประโยชน์มีผลตลอดการถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติที่แม่นยําแล้วขยันภาวนาจริงๆเราได้รับประโยชน์จ ร, ริงๆเราจะแจ้งจริงๆว่ามรรคผลที่ผ่านมีจริงๆนะความพ้นทุกมีจริงๆนะ นี่เรามาดูนะว่าทํำยังไงเราจะแจ้งสันนิพนานได้เราจะพ้นทุกข์ได้พ้นเครื่องพรุงพะรังพ้นภาระที่ต้องแบกต้องหามทางจิตใจทุกคนมีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะชนิดนี้ถ้าตั้งใจฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราไปบรรลุถึงมรรคผลและประจักษ์แจ้งสันนะิพนธะ มันรู้ถึงมรรคผลนะแล้วไปเห็นแจ้งนิพพานเกิดมรรคเกิดผลแต่ว่าเห็นแจ้งนิพพานนิพพานไม่เกิดมรรคผลยังเกิดอยู่นะมรรคผลถึงจะเป็นโลกุตระนะจะเป็นโลกุตระที่เกิดดับมีนิพพานนี่เป็นโลกุตระที่ไม่เกิดไม่ดับนียคนละระดับกันพระพุทธเจ้าสอนวิธีนะที่เราจะไปถึงนิพพานตัวที่ปิดกั้นเราก็คือกิเลสนะรับใดที่เรายังมีกิเลสล้างกิเลสไม่หมดจากใจเรา แล้วก็ไม่เห็นนิพพานสามใดที่เรายังมีกิเลสใจเราจะปรุงแต่งสามใดที่ยังปรุงแต่งอยู่เราไม่เห็นนิพพานะเพราะว่านิพพานนั้นพ้นความปรุงแต่งเป็นวิสังขารธรรมเป็นอาสังคตธรรมไม่ปรุงดังนั้นนิพพานนั้นพ้นจากขันสามใดที่เรายังยึดถือขันอยู่เราจะไม่เห็นนิพพานงั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัตินั้นสอนจนกระทั่งเราพ้นจากกิเลสเราพ้นจากความปรุงแต่งเราพ้นจากขัน คนได้คนได้จริงๆนะอยู่ที่ว่าเราทำมาทําจริงไหมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่แสนจะอัศจรรย์นะอัศจรรย์มากเลยสามารถถอดถอนกิเลสได้กิเลสนั้นมีตั้งแต่อย่างหยับหยับกิเลสอย่างหยาบหยับเรียกราคะโทสะโมหะใครรู้จักไหมราคะเป็นกิเลสตระกูลไหนตระกูลที่ดึงเข้าตัวอย่างเรารักผู้หญิงคนหนึ่งเราอยากให้เขามาอยู่กับเรา โทษาเป็นกิเลส ช, ชนิดที่ผลักออกจากตัวไม่ชอบหน้าคนนี้อยากผลักให้กระเด็นให้หายไปโมหะเป็นกิเลสที่ฟุง้งซ่านที่ลังเลสงสัยหมุนไปหมุนมาหมุนซ้ายหมุนขวาตัดสินใจไม่ได้เนีอย่างประเภทรักพี่เสียดายน้องเนี่ยพวกโมหะนะไม่รู้จะเอาอะไรดีจับอะไรไม่ถูกงงไปหมดแล้ว น, ะนี่พวกตระกูลโมหะกิเลสนะั้นมันมีเนี่ยอยาบหยา บ, ยบมีราคาโทสาโมหะ กิเลสอย่างหยาบๆเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในใจเราแล้วครอบงําจิตใจได้เราจะทําผิดศีลคนทําผิดศีลได้เนีย่ยเมื่อกี้ขอศีลขอด้วยปากขอตามประเพณีแต่จะรักษาศีลได้หรือเปล่าเนี่ยยากมากที่เราจะรักษาศีลได้เราจะรักษาศีลไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสมันมาครอบงําจิตคนไหนถ้ากิเลสครอบงําจิตก็ผิดศีลง่ายถ้ากิเลสไม่ครอบงําก็ไม่ผิดศีลดออก อย่างคนเราจะฆ่าเขาจะตีเขานะหรือจะด่าเขานะใจมันต้องมีโทสะเห็นไมใจมีโทสะถ้าจิตมีโทสะเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนะโทสะครอบงําจิตไม่ได้ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครศีลนะอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นงั้นการรักษาศีลนะจะรักษาได้ดีถ้าเรารักษาที่ใจนะไม่ใช่รักษาด้วยปากนะไม่ใช่รักษาที่กายที่วาจา นะร่างกายไม่ทําผิดศีลวาจาไม่ทําผิดศีลแต่ใจยังทําผิดศีลอยู่กิเลสครอบงำใจอยู่เรื่อยๆแป๊บเดียวก็เผลอไปทําผิดศีลทางกายทางวาจาได้อย่างราคะเกิดขึ้นที่ใจนะเราไม่มีสติรู้เท่าทันมันราคะามันครอบงำจิตได้เดี๋ยวเราก็อาจจะไปเป็นลักขโมยเขานี่มันโลภขึ้นมาล้วลักขโมยเขาก็ได้นะไปผิดศีลเป็นชู้ขเขาก็ได้นะมีกุ้งมีกิ๊กอะไรขึ้นมาก็ได้เพราะราคะมันครอบงาใจ ถ้าเรามีสติรู้ทันนะมีสติรู้ทันราคะเกิดขึ้นที่จิตราคะไม่ได้เกิดที่อื่นราคะไม่ได้เกิดที่มือที่เทา้าที่ปากมัวแต่ระวังอยู่ที่มือที่เทา้าไม่ระวังที่ใจแนละ้วสู้กิเลสไม่ไหวนะงั้นถ้าอยากสู้กิเลสได้มีศีลจรนะิงๆแลรักษาจิตไหมไม่ใช่รักษาแค่กายวาจาแต่เมื่อเรารักษาจิตได้กิเลสครอบ ง, งําจิตไม่ได้กายวาจาเราจะเรียบร้อยหรือว่ามีศีลนะงั้นเราต้องรักษาจิตนะ คนทำผิดศีลเพราะว่ากิเลสมันครอบงาจิตได้แล้วค่อยๆสังเกตเอางั้นวิธีที่จะรักษาศีลได้ดีที่สุดคือรักษาจิตของตนเองคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดคอยรู้ทันกิเลสเกิดคอยรู้ทันมันมีความจริงอยู่ข้อหนึ่งความจริงอันนี้เป็นกฎของธรมธรมะเรียกธรรมนิยามกฎของธรรมะก็ะคือกุศลกับอกุศลจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่จิตเรามีสตินะเมื่อนั้นจิตจะไม่มีอกุศลแน่นอน นะราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นไม่ได้ในขณะที่เรามีสติอยู่นะแต่เราขาดสติบ่อยนึกออกไหมวันๆหนึ่งมีสตินิดเดียวแต่ขาดสติมากแล้วนะโอกาสที่กิเลสจะเกิดนี่เกิดได้ทั้งวันเลยนะเราต้องมาต่อสู้นะอย่ายอมแพ้มันต้องตั้งใจรักษาศีลไม่ใช่อารัตนาแต่ปากนะต้องมีสตินะรู้ทันใจของเราเองไปกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสใดเกิดรู้ทันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้ทันกิเลส ความโลภใครไม่รู้จักว่าโลภเป็นยังไงมีไหมใครไม่เคยโลภมีไหมนะใครไม่เคยโกรธมีไหมใครไม่เคยฟุง้งซ่านใครไม่เคยหดหู่ใครไม่เคยลังเลสงสัยมีไหมไม่มีหรอกทุกคนเคยเจอมาแล้วทางนั้นะเนี่ยกิเลสนานานชนิดเรารู้จักอยู่แล้วทางนั้นนะเพียงแต่เราละเลยที่จะรู้มันแล้วปล่อยให้มันเกิดแล้วมันครอบงําจิตใจของเราได้แล้วมันก็มาครอบงํำพฤติกรรมทางกายทางวาจานะทําผิดศีลขึ้นมาได้ งั้นเราอาศัยสตินี่แหละคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะศีลจะเกิดขึ้นเองถ้าศีลเกิดขึ้นเนี่ยกิเลส ช, ชั่วหยาบคือราคาตัวสามโมหะเนี่ยครอบงําใจไม่ได้นี่เราสู้ไปได้ยกหนึ่งแล้วนะอกิเลสหยาบหยาบสู้ด้วยศีลจะมีศีลได้ดีต้องมีสติรักษาจิตนะกิเลสอย่างกลางชื่อว่านิวรณนะ์นิวรณ์เนี่ยทําให้ใจฟุง้งซ่าน แค่ฟุ้งๆนะยังไม่ถึงทํารทผิดศีลห้าแค่ใจไม่สงบศีลห้าน่าทําให้กายวาจาเรียบร้อยะกายวาจาเรียบร้อยพราะรักษาจิตเอาไว้ไดส้ส่วนนิวรณ์เนี่ยทําให้ใจฟุ้งซ่านใจไม่เรียบร้อยะคู่ปรับตับนิวรณ์ก็คือสมาธิั้นสมาธิเป็นตัวที่ฝึกแล้วเนี่ยจิตใจเรียบร้อยจิตใจสงบจิตใจมีความสุขนะยังไม่เกิดปัญญานะยังไปอีกขั้นหนึ่ง ศีลนั่นนะ่ะเอาไว้สู้กิเลสอย่างหยาบทําให้กายวาจาเรียบร้อยสมาธิเอาไว้สู้กิเลสอย่างกลางทําให้จิตใจเรียบร้อยจิตใจของเราไม่เรียบร้อยจิตใจเรากระโดดกระเดกตลอดเวลารู้สึกไหมเดี๋ยวกูวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูแสบใส่ตลอดเวลานะไม่มีความสงบเลยเรื่องไม่มีสมาธิจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ตั้งมั่นกระโดกกระเดกตลอดเวลาวิ่งออกไปแล้วไปเจอของที่ชอบใจนะั้น เป็นก ร, รมมฉันทะนะอยากเจออารมณ์ที่ถูกใจมีก ร, รมมาฉันทะวิ่งไปแลังไปเกลียดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะเป็นพยาบาทไม่ชอบบางทีกระโดดไปกระโดดมาจับอารมณ์ไม่ถูกนะเรียก อ, อุทธัจจะความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านมากๆก็หงุดหงิดนะเรียกลำขาญใจเรียกุกปุจจ์บางทีก็สงสัยเกิดความลังเล ส, สงสัยขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะมีจริงหรือ มรรคผลนิพพานจะมีจริงหรือทางปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานจะมีจริงหรือสงสัยไปเรื่อยนะขณะที่สงสัยใใจก็ฟุง้งซ่านไหมจิตใจไม่เรียบร้อยลนะเวลาที่นิวรณ์เกิดนะจิตใจจะไม่เรียบร้อยจิตใจจะกระโดกกระเดกนะเรามาฝึกจิตให้มันเรียบร้อยด้วยสมาธินะวิธีที่จะฝึกจิตให้เกิดสมาธิไม่ใช่เรื่องยากนะศัตรูของสมาธิก็คือความฟุ้งซ่านานานาชนิดนั่นเองนะเราก็มาฝึกใจของเรา มีสติรู้ทันจิตอีกนั่นแหละถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาจิตไหลไปวิ่งไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดนะจิตไหลทั้งวันนะพวกเราที่หัดภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งจะเห็นว่าจิตมันไหลตลอดเวลาเดี๋ยวไหลไปดูไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดนะพอเราเห็นจิตไหลไปถ้าเรารู้ทันนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนะแต่ว่าปกติมันไหลทั้งวันโอกาสที่จะรู้ทันว่ามันไหลเนี่ยมีน้อยเราต้องหาเครื่องช่วย เครื่องช่วยก็คือเครื่องอยู่ของจิตต้องหาบ้านให้จิตอยู่นะเบื้องต้นจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ใครถนัดพุทโธเอาพุทโธใครถนัดลมหายใจรู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องผองยุบก็ดูท้องผองยุบไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยไม่ดีไม่เร็วมากกว่ากันนะเสมอกันอะไรก็ได้เท่าๆกันทั้งหมดเลยงั้นเราคอยมานะเบื้องต้นหาอารมณ์อันหนึ่งขึ้นมาก่อนนะเป็นเครื่องอยู่ของจิต เป็เครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับท้องพองยุกก็ได้อยู่กับอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ขยับมือทําจังหวะก็ได้ให้จิตมีเครื่องอยู่พอจิตมีเครื่องอยู่เราสังเกตอย่างนี้ะพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุกไปจิตหลงไปคิดรู้ทันะจิตจะไหลตลอดะชอบไหลไปคิดดูออกไหมจิตหนีไปคิดทั้งวันะ จิตหนีไม่ขึนั่นแหละจิตฟุ้งซ่านล่ะจิตไม่มีสมาธิล่ะนี่นเรามาฝึกนะจิตไหลไปเรารู้พุทโธไปจิตหนีไปเรารู้ลืมพุทโธไปละหายใจไปจิตหนีไปลืมลมหายใจละรู้ทันค่อยรู้เรื่อยๆอย่าไปบังคับว่าห้ามไหลไปถ้าบังคับนะั้นจะกลายเป็นเพ่งเช่นพอรู้ลมหายใจก็จ้องนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่เผลอไปไหนเลยอันนั้นไม่ดีนะจะพัฒนาต่อไปยากได้แต่สงบสงบนิ่งๆบังคับไว้ไม่ดี วิธีฝึกสมาธิที่ดีนะอยู่กับพุทโธอยู่สบายๆอยู่กับลมหายใจอยู่สบายๆดูท้องพองยุบดูสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่คําว่าสบายสมาธิจะเกิดถ้าจิตมีความสุขนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่มีสมาธนะิเพราะเราหายใจไปหายใจอย่างสบายๆพุทโธไปพุทโธสบายๆนะรู้ลมหายใจ รู้ท้องผองยุบรู้อย่างสบายๆรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนรู้สบายๆอย่าบังคับจิตว่าห้ามเผลอห้ามหลงถ้าจงใจบังคับจิตเมื่อไหร่จิตจะไปเพ่งเช่นรู้ลมหายใจนะจิตจะไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจครนี้นิ่งๆทื่อๆแล้เดินปัญญาต่อไม่ได้จิตไปติดล็อกแล้วไปดูท้องผองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องนะจิตนิ่งอยู่ที่ท้องนะอย่างเนี้ยจิตไม่เดินปัญญาต่อะไม่ดีเราเอาแค่ว่าหายใจไปจิตหนีไปเรารู้นะ พุโทโธไปจิตหนีไปเรารู้ดูท้องของยุบไปจิตหนีไปเรารู้ใครถนัดอะไรเอาอันนั้นนะไม่ดีไม่เร็วแตกต่างกันหรอกเหมือนเหมืๆกันหมดอ่นะกรรมฐานอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดเอาที่เราทําแล้วมีความสุขนะถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาถ้าใครพุโทโธแล้วเครียดก็ไม่เอาไปเอาคําอื่นไปเอาอย่างอื่นใครรู้ลมหายใจแล้วเครียดก็ไม่เอาไปเอาอย่างอื่นนะกรรมฐานมีเยอะแยะไปลองดูสักอย่างหนึ่งถ้าอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแล้วอยู่กับ น, นั้นไปจิตจะสงบเองนะ จิตจะค่อยๆสงบพุทโธพุทโธพุทโธจิตไหลแล้วรู้พุทโธพุทโธไหลแล้วรู้สักพักเดียวนะจิตจะค่อยๆเชื่องจิตจะไม่ค่อยไหลจิตจะสงบรู้อยู่นะสงบอยู่แล้วก็รู้ตัวอยู่ด้วยไม่ใช่สงบแล้วเคลิบเคล้มพวกเราต้องระวังให้ดีพวกที่ชอบนั่งสมาธินั่งแล้วเคลิมเนี่ยเลีวไหลที่สุดเลยนะนั่งสมาธิต้องไม่ขาดสตินะนั่งสมาธิต้องมีสติตลอดเลยไม่ใช่นั่งแล้วเคลิมอย่างนั้นไปนอนซะดีกว่าเดี๋ยวคอเคล็ไม่ได้เรื่องหรอก ทำไปแล้วโมหามากกว่าเก่าแทนที่ทําแล้วจะไปลดละกิเลสเนี่ยพอใจเราไม่เราพาวนาไปนะหาเครื่องอยู่อันหนึ่งแล้วใจเราก็ค่อยๆเชื่องเชื่องนะมันเชื่องเองค่อยๆเชื่องมันไม่ฟุ้งไปเนี่ยเราสู้กิเลสอย่างกลางได้กิเลสอย่างกลางคือตัวนิวรณ์ความฟุ้งนาน า, นาชนิดฟุ้งไปชอบเรียกกลามฉันทะฟุ้งไปเกลียดเรียกพยาบาทฟุ้งไปฟุ้งมาเรื่องอุทธัจจคุขุจจะฟุ้งหลังเลสงสัย ฟุ้งแบบอ้อยส้อยอ้อยอิงหมดเรี่ยวหมดแรงนี่ถี่นมิทธ ะ, ะจิตมันมีแต่ฟุ้งไปแค่นั้นเองงั้นเรารู้นะหากรรมฐานอันหนึ่งจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ฝึกอย่างนี้เรืจิตจะมีสมัติจิตจะไม่ฟุ้งเราสู้กิเลสอย่างกลางได้ละกิเลสอย่างหยาบคือราคะโทสะโมหะสู้ด้วยศีลกิเลสอย่างกลางคือความฟุ้งสัา้นนาน า, น า, นานชนิดของจิตสู้ได้สมัติ ศีลทำให้กายว่าจาเรียบร้อยสมาธิทำให้ใจสงบเรียบร้อยนะแค่นี้ไม่พอกิเลสยังไม่ได้หมดแค่นี้ลําพังนั่งสมาธิยังไม่เห็นนิพพานหรอกนะเพราะยังเหลือกิเลสอีกชนิดหนึ่งกิเลสชั้นละเอียดกิเลสชั้นละเอียดคืออะไรความโง่ความโ ง, คม ง, คมง่ความไม่รู้นะตัวโมหะตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าตัวเราไม่มี ไม่รู้ว่าขันห่านะไม่ใช่เรานะไม่รู้ว่าไม่มีเราในขันห่าคิดว่ามีเราะไม่รู้ว่าขันห่าเป็นตัวทุกข์พอไม่รู้ว่าขันห่าเป็นตัวทุกข์จิตก็เข้าไปยึดถือขันห่าพยิบฉวยขันห่าขึ้นมาครอบครองนะถ้าเมื่อไหรมีปัญญาแจ่มแจ้งนะรู้ว่าขันห่าเป็นทุกข์นะจิตจะวางขันห่าวางเองไม่ต้องเจตนาวางไม่มีใครบังคับจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานเองเมื่อจิตมีปัญญาแจ่มแจ้งว่าขันเป็นตัวทุกข์ เห็นทุกข์นั่นแหละถึงจะเห็นธรรมเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดไหมเห็นทุกข์คือเห็นธรรมถ้าไม่เห็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์ของอะไรทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ขันห้าปรับใดที่ไม่เห็นทุกข์ของขันห้าไม่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์นะเราเท่นั้นแหละจะไปยึดเฉยเอาขันห้าขึ้นมาจิตนี้จะไปหยิบเวยขันห้าเหมือนที่ว่าไปหยิบแก้วน้ำเหมือนเอามาถืออยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเป็นภาระมากเลยนนี้ทํำยังไงจะเกิดปัญญานะปัญญานี่แหละเป็นตัวล้างความโง่ไหม ศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สู้กิเลสหยาบหยาราคาโทสะโมหะทําให้กายวาจาเรียบร้อยสมาธิสู้กิเลสอย่างกลางคือความฟุ้งซ่านทําให้ใจเรียบร้อยใจสงบปัญญานะสู้กิเลสละเอียดคือความโง่ความไม่รู้นะเฉะนั้นปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้กับความโง่ความไม่รู้คนเข้าถึงมรรคผลได้ก็ด้วยปัญญาแต่จะมีปัญญาได้ก็ต้องสู้กับกิเลสหยาบกิเลสกลางมาแล้วนะไม่ใช่อยู่ๆก็ฉันจะมีปัญญา ยังรักษาศีลห้าไม่ได้เลยยังมาอวดเลยเรื่องมรรคเรื่องผลนะไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางเลยเพราะกิเลสหยาบหยาบยังสู้ไม่ได้ไปสู้กิเลสละเอียดได้ยังไงะกิเลสละเอียดคือความโง่นะเพราะฉะนั้นศัตรูหมายเลขหนึ่งของพวกเราชาวพุทธคือความไม่รู้นั่นแหละไม่ใช่คือคนอื่นศัตรูของเราคือความไม่รู้ความไม่รู้ของใครของตัวเราเองอะโง่เองอะโง่งงที่จะหยิบเวยเอาขันห้ามาเป็นตัวเราของเราเป็นตัวกูของกู พอหยิบ่วยขึ้นมาก็ทุกเองแหละไม่มีใครเขาทุกด้วยหรอกใครหยิบคนนั้นก็ทุกนะใครหยิบใครแบกเอาไว้คนนั้นก็หนักของตัวเองนะงั้นเราจะต้องมาพัฒนาให้เกิดปัญญาให้เห็นแจ้งให้รู้แจ้งให้เห็นจริงว่าขันห้าในะรูปนามกายใจเนี้ที่เราเรียกประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราที่เราคิดว่าตัวเราตัวเราเนี่ยต้องมาเรียนให้เห็นความจริงเลยมันเป็นตัวทุกมันไม่ใช่ของดีของพิเศษที่จะมายึดมาถือเป็นตัวเราของเราอีกต่อไป ถ้าวันใดเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์นะจิตจะสลัดขันห้าทิ้งเองไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานจิตสลัดคืนขันห้าให้โลกได้เองเมื่อจิตมีปัญญาเราทําแค่เงื่อนไขนะพัฒนาให้จิตมีปัญญาจิตเหมือนลูกเรานะเราไปสอบแอดมิชสอบอะไรแทนลูกทําไม่ได้หรอกลูกต้องมีปัญญาเองจิตนี้ก็เหมือนกันเหมือนเด็กเหมือนลูกนะเราช่วยให้มันมีการศึกษาได้ แต่มันจะเก่งไม่เก่งมันจะสอบได้หรือสอบไม่ได้อยู่ที่ตัวมันเองนะงั้นเราจะมาพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยเหมือนเอาลูกเข้าโรงเรียนนะลูกมันขยันลูกมันขยันนะมันก็ภาวนาไปมันก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ลูกมันไม่ดีหรือพ่อแม่ไม่ให้การศึกษาไม่เคยรับการศึกษาเลยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ปัญญาขึ้นมาเราอย่าไปนึกว่าเราสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้ไม่มีใครสั่งได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้หรอก สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตานี้ทํำยังไงเราจะเกิดปัญญาเห็นความจริงของขันเนี่เป็นเรื่องแตกหักแล้วนะเรื่องสําคัญมากเลยในทางพระพุทธศาสนาการทําทานรักษาศีลทําสมาธินี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าการสู้กิเลสอย่างหยาบสู้กิเลสอย่างกลางมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านมาต่อยอดให้นักปราชญ์ทั้งหลายนั่นเองพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเขาก็สอนให้คนถือศีล นักบลาทั้งหลายสอนให้คนทำสมาธิจิตสงบนะแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาต่อยอดสงบอย่างเดียวไม่ได้ต้องเกิดปัญญาด้วยปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นความเป็นจริงของรูปของนามของกายของใจนะถ้าเราไม่เห็นความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าไม่มีปัญญาเห็นความจริงนะไม่ใช่คิดเอางั้นทำยังไงเราจะเห็นความจริงได้เราต้องดูว่าจริงๆกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไง การดูความจริงของกายของใจนะี่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เรื่องกําหนดอย่างนั้นอย่างนี้นะหลักของวิปัสสนากรรมฐานแท้ๆเลยคือมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะี่รู้อย่างที่มันเป็นนะมันเป็นอะไรกายนี้เป็นอะไรกายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นของเป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตานี่คือความจริงของกาย ความจริงของใจก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันความจริงของขันห้าก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันห้าของกายของใจของรูปของนามได้นั่นแหละคือการทำวิปัสสนากรารมฐานพวกเราอย่างบางคนเรียนไม่พอนะเราไปคิดว่าแค่รู้กายรู้ใจเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานรู้รูปราาู้นามเป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่เป็นหรอก ต้องเห็นความจริงของกายของใจต้องเห็นความจริงของรูปของนามนะถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะเพราะฉะนั้นอย่างเรานั่งอยู่เห็นร่างกายนั่งอยู่เนี่ยเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นไม่เป็นถ้าเห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่นี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนานะวันวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจตรงนี้ต้องแม่นนะพวกเรา ถ้าเราไม่รู้หลักของวิปัสสนากรรมฐานเราก็ได้พูดแต่ว่าเราจะทาําวิปัสสนาเอาเข้าจริงหาคนทาวิปัสสนาได้น้อยเต็มทีเลยนะกระทั่งบอกว่าทาําวิปัสสนาบอกว่าทานะําวิปัสสนานั้นเอาเข้าจริงทําแต่สมถะนะรู้เพ่งกายอยู่เรื่อยๆนะหายใจเข้าหายใจออกเพ่งนิ่งๆอยู่ไม่ใช่วิปนะัสสนาเห็นท้องพองเห็นท้องยุบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่วิปนะัสสนาเห็นร่างกายยกเท้าย่างเท้าไม่ใช่วิปนะัสสนาวิปัสสนาต้องเห็นร่างกายนั้นนะ เป็นอนิจจังทุกขอังอนัตตาเวทนาคือความรู้สึกรู้สู้รู้สึกทุกข์ทั้งหลายนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาต้องเห็นตร ล, ลักต้องแม่นนะถ้าหลักไม่แม่นแล้วทำผิดทำผิดแล้วจะมาบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงทำมาตั้งหลายปี2 0 3สปีไม่เห็นนิพพานสถีก็ยังไม่เคยทำเส้นทางที่จะเข้าสู่พานิพานเลยคือไม่ได้เจริญปัญญาที่แท้จริง การเจริญปัญญานปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจตรงนี้ต้องแม่นนะหลวงพ่อย้ําทุกวันเลยเรื่องเนี้เพราะเป็นเรื่องแตกหักเลยว่าเราจะเป็นชาวพุทธแท้หรือไม่แทลำพางทำทานรักษาศีลทําสมาธิไม่ใช่ชาวพุทธเขาก็ทํากั น, นาศาสนาอื่นก็มีนะบางาศาสนาเนี่ยหลวงพ่อยังรู้สึกยกย่องเลยอย่างมุสลิมเขาร่หมาดวันละหครั้งนะเขาคิดถึงพระเจ้าวันละหครั้งนั่นก็คือการทําสมาธิวันละห้าครั้ง ชาวพุทธเราให้ไหว้พระวันละครั้งยังทำแทบไม่ได้เลยน่าเกลียดที่สุดเลยเนาะว่าน่าเกลียดหัวเราะเว้มันเอ็นดูนะไม่ได้โดกรธเกลียดหรอกมันรู้สึกน่าเอ็นดูดีทุกไปก่อนเพั้นเราอยากจะทําวิปัสสนาต้องรู้ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปน้ำของกายของใจของาธาตุของขันนะทําอย่างไร นี่ทำอย่างไรเราถือจะเห็นใจลักษ์ของรูปนามของาธาตุของขันถือศีลไปเรื่อยเห็นไหมไม่เห็นทำสมาธิไปเรื่อยเห็นไหมไม่เห็นไม่มีศีลไม่มีสมาธิจะเห็นไหมไม่เห็นเพราะใจจะฟุ้งซ่านไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นเบื้องต้นรักษาศีลห้าขอศีลห้าเท่านั้นะศีลที่จําเป็นที่สุดนะข้อหนึ่งสองสามสี่เป็นศีลที่อยู่ในองค์มรรคหนึ่งสองสามสี่ ข้อห้านะแถมมาแล้วถ้ากินเหล้าเมายาอะไรเนี่ยศีลข้ออื่นมันด่างพ้อยไปด้วยจิตก็ไม่มีสมาธินะก็เลยแถมเข้ามาศีลในองค์มากจริงก็หนึ่งสองสามสี่นะสัมมาวาจาศีลข้อสี่สัมมากัมมันตะศีลนะข้อหนึ่งข้อ2ข้อสามนะสัมมาชีวะการเลี้ยงชีวิตที่ซื่อสัตย์เลี้ยงชีวิตอย่างสะอาดไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ทําให้จิตใจชีวิตไม่ยุ่งเหยิงนะชีวิตไม่ยุ่งเหยิงผ่อนา ง, ง่าย เงินศีลจริงๆนะขอแค่ศีลห้านะส่วนใครจะถือศีลแปดศีลสิบก็อนุโมทนาไม่ห้ามนะแต่เป็นคราวาดถือศีลแปดตลอดการบางทีไม่ไหวถ้าที่ทำงานหนักๆนะแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นมากเกษียณแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอกถ้ายังทำงานที่ใช้แรงมากๆอดข้าวเย็นนานๆไปบางทีโรคกระเพาะถามหาเราไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นทำได้ก็ดีอนุโมทนาทาให้ใจเข้มแข็งงั้นเบื้องต้นรักษาศีลไว้ก่อน ต่อไปทุกวันไหว้พระสวดมนต์การที่เราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะจะทําให้ใจเราสงบะใจเราจะสงบแล้วจากสงบเราจะฝึกเข้าไปสู่ความตั้งมั่นสมาธิมีสองระดับสมาธิสงบอันหนึ่งสมาธิตั้งมั่นอันหนึ่งสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่าศาสนาอื่นไม่รู้จักแล้วเป็นตัวที่เป็นเป็นตัวแยกเลยาศาสนาอื่นเขาจะมีสมาธิสงบนะ คิดถึงพระเจ้าสงบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือนั่งเจริญเมตตาไปเรื่อยสงบนั่งเข้าสมาธิไปเรื่อยสงบนะนี่สมาธิชนิดที่สองเรื่องตั้งมั่นอันนี้เป็นเรื่องศาสนาพุทธละคนอื่นไม่ค่อยมีนี่เราจะทําสมาธิตั้งมั่นสมาธิสงบบอกไปแล้วนะหาเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้จิตจะค่อยๆสงบพอจิตสงบแล้วมาฝึกให้เกิดสมาธิตั้งมั่น สมาธิสงบเนี่ยภาษาแขกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิตั้งมั่นเนี่ยภาษาแขกเรียกว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักคนจิตที่มีลักขณูปนิชฌานเนี่ยมันจะถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดไม่อยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่โลกของผู้แสดงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสมาธิสงบเนี่ยจิตยังยรวมเข้าไปอยู่กับอารมณ์ เช่นพุโทโธไปจิตสงบ อ, อยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหนเลยนะสมาธิสงบเนี่ยเช่นรู้ลมหายใจจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจไปดูท้องพองยุบจิตรวมเข้ากับท้องนะี่จิตไม่ไปไหนนี่สงบ อ, อยู่เฉยๆสมาธิตั้งมั่นเนี่ยรู้ลมหายใจมันจะเห็นร่างกายหายใจจิตมันแยกออกมาอยู่ต่างหากจิตมันเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายพองยุบจิตเป็นคนดูนี่มันจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะ แล้วค่อยๆสังเกตไปนะวิธีจะให้ได้จิตที่เป็นตัวรู้ขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นมีลักคณูปนิชฌานขึ้นมาเนี่ยสังเกตเอานะนั่งสมาธิไปไหวพ้พระสวดมนต์ไปนะทุกวันทุกวันนั่งสมาธิเดินจงกรมไปแล้วค่อยๆสังเกตนะร่างกายที่นั่งสวดมนต์อยู่นะเป็นของถูกรู้ถูกดูในร่างกายกําลังสวดมนต์อ้าปากปะงาบปะงาบปะงาบเนี่ยนะเห็นมาเลยตัวนี้มันอ้าปากงับงาบงาบอยู่เนี่ยเห็นมันพนมมือเนี่ย นั่งฟังหลวงพ่อก็เห็นตัวนี้มันพยักหน้าทําเป็นเข้าใจ <c oughs> พยักพยักนะเรารู้ทันไปอีกเห็นมันพยักหน้านะนี่แหละเรื่องหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ไปเนี่ยพยักไปเรื่อยหรือบางคนถือพัดไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูฝึกตัวนี้ให้ได้ถ้าฝึกแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาอวดเลยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีหรอกวิปัสสนากรรมฐานยังไม่มีเลยมรรคผลนิพพานจะมีได้อย่างไงนะ ง่ค่อยๆฝึกแยกธาตุแยกขันไปนะหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะดูท้องเพายุบก็เห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบอย่าให้จิตไปลงไปอยู่ที่ท้องนะจิตเป็นแค่คนดูดูมันคนวงนอกดูอยู่ห่างๆนะเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนจิตเป็นคนดูนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาเห็นเลยร่างกายมันนั่งอยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเป็นอีกส่วนหนึ่ง จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนี่หัดแยกไปด้วยพอมันปวดมันเมื่อยมากๆเข้าจิตทุรนทุรายเห็นไหมความปวดอยู่ที่ร่างกายนะความทุรนทุรายมาเกิดที่จิตเนี่ยเราดูลงไปเลยความทุรนทุรายกับความปวดเมื่อยคนลานกันนะความทุรนทุรายของจิตดูไปดูไปไม่ใช่จิตอีกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า นะความทุรนทุรายหรือความสงบของจิตนะรลภโกรธหลงอะไรต่างๆนา น, นาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่อยๆฝึกไปเรื่อยจิตใจของเราเองก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเดี๋ยวก็วิ่งไปนึกเดี๋ยวก็วิ่งไปเพ่งเดี๋ยวก็เผลอไปเลยนะเราค่อยรู้เอาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเราก็ค่อยรู้เอาคอยรู้ไปเรื่อยเราเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงเ น, นี่ยการที่เราค่อยแยกขันออกมานะ ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเราก็จะเริ่มเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุนะจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเราก็เห็นอีกนั่งทีแรกามัยไม่ปวดนั่งไปนานๆความปวดเกิดขึ้นแสดงว่าความป네วดกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกันร่างกายก็นั่งอยู่อย่างนี้แหละความปวดมาทีหลังไหเป็นคนละอย่างกันใจเป็นคนดูอีก นี่เราแยกได้สามขันแล้วที่แยกแยกกายกับใจนะแยกรูปกับ น, นามออกมานะคือแยกแยกร่างกายกับจิตออกมาต่อมามันปวดมันเมื่อยในตัวเวทนานะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะพอปวดมากๆเข้าความทุรนทุรายเกิดที่จิตความปรุงแต่งที่จิตนี่เรียกว่าสังขาร น, นะปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายนี่เรียกว่าสังขารแล้วนะเราก็รู้ทันลงไปอีก จนะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งนะสังขารก็ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนะหัดค่อยๆแยกทําไมเราต้องมาหัดแยกขันถ้าเราไม่แยกขันเนี่ยเราจะเดินวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราความเป็นตัวเราเกิดจากขันห้านั้นมันมารวมตัวกันแล้วสัญญาเข้าไปหมายผิดผิดว่าเป็นตัวเราตัวเราจริงๆไม่มีไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้ว เพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ภาวนาเพื่อละอัตตาตัวตนเราไม่มีอัตตาตัวตนมาตั้งแต่แรกแล้วมีแต่ความหลงผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นเราสู้กับความหลงผิดเห็นไหมปัญญานั้นไปสู้กับความไม่รู้ความโง่ความหลงนั่นเองนะงั้นเรามาหัดแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆคําว่าส่วนนั้นภาษาบาลีเรียกว่าขันคําว่าขันเราจะไปตกใจขันแปลว่าอะไรขันแปลว่ากองแปลว่าส่วนนะแยกออกมาแล้วจะเห็นว่าตัวเราไม่มี เหมือนมีรถยนต์หนึ่งคันนะจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆลูกล้อไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะก็ไม่ใช่รถยนต์เห็นไหมแยกออกไปเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันไม่ใช่รถยนต์เนี่ยพอเราเอารถยนต์มาแยกเป็นส่วนๆเราพบว่ารถยนต์หายไปแล้วไม่มีรถยนต์เราเอาตัวเราเนี่ยมาแยกเป็นส่วนๆเรียกแยกขันแยกเป็นส่วนๆแล้วเราจะพบว่าตัวเราไม่มีรูปไม่ใช่ตัวเรา เหมือนที่ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์นั่นแหละเวทนาไม่ใช่ตัวเราถนะ้เหมือนที่กันชนไม่ใช่รถยนต์นั่นแหละจะแยกเป็นส่วนๆแล้วจะทํำลายความเห็นผิดว่ามีตัวเราดังนั้นการแยกธาตุแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาต้องแยกขันก่อนถึงจะล้างความเห็นผิดได้พอแยกขันแล้วเราจะเห็นขันแต่ละขันนั่นแหละตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษณ์ขันทั้งหลายแต่ละขันนะดูทีละขันนั่นแหละตกอยู่ใต้ไ ต, ไ ต, ไตรลักษณ์เช่นร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ย เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานี่มันโตอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วมันแสดงอนัตตาให้เห็นล้นะร่างกายที่หายใจเข้าทนอยู่ไม่ได้นะต้องหายใจออกนี่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็หายใจเข้าได้ชั่วคราวถูกความทุกข์บีบขันนี่เรียกทุกขังต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกนะหายใจออกไปก็ดูได้ชั่วคราวก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกเนี่ยร่างกายเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่เป็นทุกข์ มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งปัญญามันแจ้งร่างกายไม่ใช่เรานะดูลงไปเลยแต่ละขันแต่ละขันนะความสุขความทุกข์สั่งมันได้ไหมนั่งนานๆสั่งมันไม่ให้ปวดได้ไหมบางคนภาวนาผิดนั่งไปแล้วปวดขาจงใจนั่งให้หายปวดนั่งให้หายปวดได้อย่างอื่นแต่ไม่ได้ปัญญานั่งให้หายปวดได้ความอดทนอดกลัน้นได้สัจจะนะได้ความตั้งใจจริงอธิฐานนบารมี นะได้ไปได้มาได้กูเก่งมาด้วยกูนั่งได้นานกว่าคนอื่นคนอื่นสู้กูไม่ได้นะถ้าจะนั่งให้เกิดปัญญาเนี่ยนั่งดูลงไปนะไม่ใช่มีเวทนาแล้วเอาชนะเวทนานั่งดูให้เห็นเลยเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ทนอยู่ไม่ได้เวทนาก็บังคับมันไม่ได้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะจะเป็นอย่างนั้นอย่นี้ห้ามมันไม่ได้เลือกไม่ได้นะนี่ภาวนาจนเห็นเลยมันตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันความปรุงของจิตที่เรียกว่าสังขาราขันะ ปรุงดีปรุงชั่วปรุงเฉยเฉยไม่ดีไม่ชั่วนะปรุงดียังปรุงกุศลต่างๆนะปรุงศรัทธาอยากจะฟังธรรมนะมีบางคนคนที่อยากฟังธรรมมีเยอะกว่าที่พวกเรานั่งตรงนี้แต่มาไม่ถึงไปติดตลาดนัดซะก่อนใช่ไหมมันมีของขายเดินชมเพลินเลยหลวงพ่อเทศไปจะจบแล้วยังมาไม่ถึงนะเนะี่ยใจมันเปลี่ยนนะเนะี่ยความปรุงของจิตนะความปรุงมันบังคับมันได้ไหม ทีแรกมีศรัทธาอยากฟังใช่ไหมพีม่เจออย่างอื่นมันลืมไปแล้วลืมว่าจะมาฟังทำนะช้อปปิ้งนะว่าตลาดนัดยาวขนาดนี้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยนะใจมันเปลี่ยนได้นะหรือใจเป็นอากูศลเดินผ่านไปผ่านมานะกําลังจะทะเลาะ ก, กับแฟนอนะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงพระเทศพระให้ศีลแวะฟังสันหน่อยฟังแล้วท่าจะเข้าท่านะจิตใจสงบขึ้นมาใช่ไหมอากูศนเปลี่ยนมาเป็นกูศลก็ได้กูศนเปลี่ยนเป็นอากูศลก็ได้ใจเราเปลี่ยนทั้งวัน หาครใจง่ายเท่าพวกเราไม่มีหรอกนะใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์มีสติตามรู้มันไปเลยการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละมันสอนอนิจจังให้มันไม่เที่ยงเห็นไหมดีมันเที่ยงไหมชั่วมันเที่ยงไหมโกรธมันเที่ยงไหมโลภมันเที่ยงไหมเออไม่มีอะไรเที่ยงสังง่ง น, นี่เฝ้าดูของจริงลงไปนะจะเห็นขันทั้งหลายก็ไม่เที่ยงนะขันทั้งหลายก็ทนอยู่ได้ชั่วคราวนะสังขารเช่นความโกรธ ความโกรธก็อยู่ชั่วคราวไม่มีใครโกรธนี้ลันดอนใช่ไหมความดีก็อยู่ชั่วคราวใช่ไหมความชั่วก็อยู่ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวเนี่ยดูลงไปมีแต่ของชั่วคราวนี่เพื่อเห็นอนิจจังนะเห็นขันเป็นอนิจจังจิตวิ่งไปดูก็ดูชั่วคราวเดี๋ยวก็วิ osure, eyes, right? the the ่งมาฟังฟังก็ฟังชั่วคราวเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดสังเกตจิตของพวกเราดูเวลานั่งฟังหลวงพ่อเทศ เดี๋ยวก็ตั้งใจนะฟังใช่ไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ฟังฟังแป๊บเดียวนะสองสามคำสลับไปคิดคิดตามที่หลวงพ่อเทศบ้างคิดไปเรื่องอื่นเลยยังมีเลยเห็นไหมถ้าแม้ใจใจจะไปดูใจจะไปฟังใจจะไปคิดจะคิดเรื่องดีคิดเรื่องร้ายเลือกไม่ได้เลยนะนี่ยมันสอนอนัตตาเรานะสอนควาไม่เที่ยงสอนอการทนอยู่ไม่ได้สอนอนัตตาพอเราแยกขันเป็นส่วนๆได้แนละ้วเราจะเห็นแต่ละขันนั้นแสดงไตรลักนะเพราะเราเคยได้ยิน ธรรมะอันหนึ่งแมชื่อ bush, อนัตตลักษณะสูตรพระพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์พิสูจทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค right ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดเป็นทุกข์ควรจะถือว่าเป็นเรล่าไหมไม่ควรไหมท่านสอนไตรลักษณ์นั่นเองเวทนาแหละพิสูจทั้งหลายเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนบอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะ ท่านไม่ได้ตอบแบบนกแก้วนกขนทองนะถ้าเป็นพวกเราเราเคยฟังเคยจำมาหลวงพ่อถามอา้าวรูปเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงค่ะนะแต่ใจไม่เคยเห็นรูปเลยเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ได้มรรคผลนะท่านปัญจวัคคีย์พุทธเจ้าถามคงไม่ตอบโชว์โชวโชวท่านคงสังเกตของท่านก่อนนะต้องดูของจริงต้องมีของจริงรองรับนะมรรคผลถึงจะเกิดนะไม่ใช่คิดคิ ด, คดลอ ย, อยอยู่กลางอากาศแล้วมรรคผลเกิดขึ้นได้ต้องมีรูปมีนามรองรับสติปัญญา รูปนามนั้นแหะเป็นที่รองรับสติปัญญาะถ้าไม่มีรูปนามของจริงรองรับในคิดคิดเอาไม่บรรลุหรอกนนี่เราคอยดูลงไปขันแต่ละขันนั้ไม่เที่ยงขันแต่ละขันเป็นทุกข์ขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราดูซ้ําแล้วซ้ํำอีกวันแล้ววันเล่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูมันไปเรื่อยๆถ้าไม่บรรลุอีกก็ดูมันทั้งชาติเลยชาตินี้ไม่บรรลุชาติหน้าดูต่อนะดูมันซ้ําแล้วซ้ํำอีกมันต้องเข้าใจขึ้นสักวันจิตต้องยอมรับความจริงขึ้นได้สักวันหนึ่งมันคงไม่งงนิลันดอนหรอกนะ มันต้องรู้เรื่องเข้าสักวันหนึ่งตามรู้ขันไปด้วยนะงั้นการที่เราหัดแยกขันออกไปนะแล้วตามรู้ขันขันแต่ละขันจะสอนไตรลักษการที่เราเห็นขันแสดงไตรลักษนั่นแหละคือวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่การเห็นขันเฉยๆนะเห็นร่างกายเฉยๆไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นร่างกายนี้แสดงไตรลักถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นจิตแสดงไตรลักษถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นแล้วเห็นอีกในที่สุดจิตมันสรุปได้ จิตมันเกิดความรู้ร ว, รวบยอดขึ้นมาตรงความรู้รวบยอดที่จิตเกิดนั่นแหละเกิดอริยมรรคขึ้นมานะเป็นปัญญาในขั้นโลกุตระเลยล้างกิเลสได้ล้างกิเลสขั้นละเอียดกิเลสขั้นละเอียดคือความโง่ความไม่รู้นั่นแหละเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาพระโสดาบันนั้นรู้แจ้งว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันธ์ห้านะเห็นไหมพระโสะดาบันก็รู้เรื่องขันธ์ห้านะพระสัคขาคามีก็เห็นอีกขันธ์ห้าก็ไม่ใช่เราไม่มีเราในขันธ์ห้าไม่มีเราที่ไหนเลยเห็นเหมือ น, เ ห, อนเหมือนกัน นะถ้านาคามีก็เห็นอยูขันบรรดาตาหูจมูกลิ้นกายรูปประขันทั้งหลายนี่นะเป็นตัวทุกข์นะถ้าจิตไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดทภาพะคือสิ่งที่มากระทบร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งที่กระทบกายถ้าจิตไปยึดพวกนี้จิตอย่งทุกข์อยู่นะถ้าจิตมันมีปัญญาเห็นในตัวรูปทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายนี่เป็นตัวทุกข์เห็นง่ายมันจะเห็นก่อนจะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นี่ไม่ใช่เห็นง่ายเลยยากที่สุดเลย พอเห็นตรงนี้นะปัญญามันแจ้งจิตมันจะไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องจงใจสมาธิจะทรงตัวเด่นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ไหลไปแต่ว่ามองได้หน่อยๆ น, นะสมาธิอย่างเนี้ยคือยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันนะแต่ว่าจิตจะไม่หลงไปดูรูปหรือยากดูนางงามอยากดูอะไรเงี้ยไม่มีนะเฉยๆไม่อยากดูเฉยๆมีให้ดูก็ดูดูก็ดูเหมือนดูหมาดูแมวอะไรเงั้นนะ ใจไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายละกามลาปฏิคะนี่เป็นภูมิของพระนาคามีนะถัดจากนั้นเราก็รู้รูปนามต่อไปอีกนั้วแหละสุดท้ายปัญญามันจะแจ้งจิตนั่นแหละตัวทุกข์นะมันแจ้งกลายเป็นตัวทุกข์มาก่อนแล้วะขั้นสุดท้ายมันจะมาแตกหักตรงที่จิตเป็นตัวทุกข์นั่นแหละถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกขนะ์นั่นจะสลัดคืนจิตให้โลกนะเมื่อเราสลัดคืนจิตให้โลกแล้วเราจะไม่มีอะไรที่จะยึดถือได้อีกแล้วเพราะสิ่งที่เรียกที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุด นะว่าเป็นตัวเราสิ่งที่เรายึดถือเนียวแน่นที่สุดนะว่าเป็นของเรานะเป็นของดีเป็นของวิเศษก็คือจิตนั่นเองนะถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกละถ้าไม่เห็นจิตว่าเป็นเราก็าจะไม่เห็นสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราอีกละนะงั้นจะแตกหักกันที่ตัวจิตนี่เองนะงั้นเราภาวนานะค่อยๆแยกขันไปนะจำได้ไหมจำไม่ได้วันหลังนะมาขอเขาเนี่ยเขา อ, อัดเทปไว้นะที่นี่เขาคงแจกบ้างเนาะ ถ้าเข้าไม่แจ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะขอ copy เอาไปลงอินเทอร์เน็ตให้ไปก o p y เอาเองก็แล้วกันนะไปสั่งซ้ําๆนะถ้าวันใดที่เราเห็นแจ้งนะ้ขันห้าทั้งหลายนะโดยเฉพาะเห็นแจ้งจนถึงว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันจะสลัดคืนจิตให้โลกคืนขันให้โลกท่านถึงบอกว่าถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมนะอืมเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ยังเห็นขันห้าเป็นของสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่ ไม่เข้าถึงธรรมะหรอกนะเพราะนั้นแยกขันไปนะสู้กับกิเลสไปพอเราล้างได้หมดแล้วกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดล้างหมดแล้วนะจิตพ้นจากกิเลสแล้วเห็นไหมตอนแรกบอกแล้วใช่ไหมตัวที่กั้นเราไว้ไม่ให้เราเห็นนิพพานก็กิกเลสนั่นแหละยังมีกิเลสอยู่จิตยังปรุงแต่งต่ออยากเป็นคนดีจิตปรุงไหมอยากอะเป็นของดีหรือไม่ดีเห็นไหม อยากในชั่วใช่ไหมแต่อยากดีความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดความดีก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้แต่ถามว่าคนดีทุกไหมคนดีทุกอย่างคนดีแต่ระหว่างเป็นคนดีกับคนชั่วเป็นคนดีไว้ก่อนเป็นคนชั่วภาวนายากพัฒนายากเพราะมันผิดศีลนะเราค่อยๆฝึกนะฝึกของเราสุดท้ายเราใช้เครื่องมือสามตัวศีลสมาธิปัญญาเนี่ยล้างกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด กิเลสอย่างหยาบสู้ด้วยศีลสู้แล้วไกาว่าจ่าเรียบร้อยกิเลสอย่างกลางคือความฟุ้งซ่านสู้ด้วยสมาธิสู้แล้วจิตเรียบร้อยปัญญาล้างกิเลส ช, ชั้นละเอียดคือความโง่ความไม่รู้ไม่รู้ว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ดูจนเห็นเลยขันห้าไม่ใช่เราเห็นตรงนี้เห็นขันห้าไม่ใช่เรานี่แหละพระโสดาบัน ถ้าเห็นแจ้งว่าขันห้าเป็นทุกข์ชิดจะสลัดขันห้าขืนให้โลกนั่นคือพระอราหันต์เห็นไหมมีแต่เรื่องขันห้าทั้งหมดเลยการปฏิบัติตั้งแต่โสดายันพระอราหันต์มีแต่เรื่องขันห้าเพราะฉะั้นถ้าไม่มีเรื่องขันห้าอย่ามาคุยเรื่องมรรคเรื่องผลเลยนะไม่มีเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสภาวะแต่และสภาวะไม่เห็นแต่และสภาวะแสดงใจลักษณ์ไม่มีมรรคมีผลหรอกเพราะไม่มีปัญญาไม่เห็นจริงว่าสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษนะ เข้าใจยังเข้าใจแล้วต้องไปทำเอาถ้ากิเลสหมดนะความปรุงก็หมดไหนกิเลสหมดไปตัณหาหมดไปแรีวมีวิราคะวิราคะก็เป็นชื่อของนิพพานเมื่อกิเลสตัณหาหมดไปมีวิราคะแล้วความปรุงแต่งก็หมดไปเพราะมันปรุงเพราะกิเลสตรงที่สิ้นความปรุงแต่งนะันเรียกว่าวิสังขารวิสังขารก็ชื่อนิพพานนะ ตรงที่จิตสลัดคืนขันให้โลกหลุดจากขันเป็นอนาระยะไม่ยึดไ ม, ไม่ไม่อะไรอวบอ น, นะปฏินิสักคะการสลัดคืนวิมุติไม่มีอะไรปล่อยวางรูปนามไปหมดแล้วนะแงวิมุตยานทัศนะเกิดแง่ธนิพนเข้าใจธนิพนชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่เป็นอิ่มไม่ใช่ชีวิตที่หิวตลอดเวลาเหมือนพวกเราตอนนี้ หิวข้าววันหนึ่งสามสี่รอบใช่ไหมแต่หิวเพราะกิเลสนะนับไม่ท่วนนะใจนี่หิวตลอดเวลาร่างกายหิวร่างกายก็ทุกนะใจหิวใจก็ทุกนะมาทำลายความหิวของใจให้ได้นะความหิวของกายทำลายไม่ได้หรอกนะหิวก็กินง่วงก็นอนนะแต่ถ้าตะกระไม่ใช่กินนะขี้เกียจไม่ใช่นอนนะนะหิวกับตกะกระคนล่อันกัน หิวเป็นเรื่องร่างกายตะกราบเป็นเรื่องกิเลสง่วงเป็นเรื่องร่างกายขี้เกียจเป็นเรื่องกิเลสเนื้อ่วงนอนแต่ขี้เกียจไม่นอนสู้กับมันนะสู้ไปอ้ามีใครจะคุยกับหลวงพ่อไหมจบล้วหลวงพ่อมีเวลาไม่มากน ะ, ะเดี๋ยวมีอีกงานเปิดให้สักสาครวันนี้อีกสองงานค่ะกักถามหลวงพ่อนะคะคือ ตอนนี้รู้สึกว่ามันสลับสลับสลับอะค่ะแล้วพอเห็นสลับสลับก็แบบบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดลำคาญก็วางได้บ้างวางไม่ได้บ้างอะค่ะกุศลอกุศลเกิดสลับกันก็ดีแล้วอะดีกว่าอกุศลเกิดตลอดอะกุศลกับอกุศลเกิดสลับกันนั้นถูกแล้วนะจิตเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไม่ใช่พระราหันนะ ยังมีกุศลอกุศลเกิดสลับกันอยู่พระอนาคายังมีอกุศลเลยเพราะงั้นการที่จิตของเราเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลนั่นเห็นถูกแล้วตรงกับความจริงแล้วแต่เห็นแล้วไม่ชอบเนี่ยเห็นแล้วไม่ชอบใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันตัวนี้ต่หากปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลใจมันมีความอยากเห็นไหมมันอยากให้มีแต่กุศลไม่อยากมีอกุศลเนี่ยใจมีตัณหานะ ให้รู้ทันอยู่ถ้ายังอยากอยู่ก็ดิ้นอยู่ดิ้นในสิ่งซึ่งไม่มีจริงดิ้นในสิ่งที่ไม่มีจริงก็คืออะไรอกูสลต้องจะบังคับมันให้ได้เนะี่ยหรือจะสั่งไม่ให้มันเกิดมไม่จริงรอ่ะมันสั่งไม่ได้สั่งให้กูสลเกิดแล้วเกิดถาวรสั่งไม่ได้จิตพระราหัตเป็นกูสลตลอดไหมหนูก็ไม่รู้เออไม่รู้ตอบถูก <laughs> กระทั่งจิตพระราหันนะบางทีก็เป็นมหากริยาจิตบางทีเป็นวิบากจิตนะไม่ใช่ไม่มีวิบากจิตนะอย่างจิตของเราไม่มีมหากริยาจิตขอเรามีเรียกว่าชวนะจิตในกุศลบ้างอากุศลบ้างแล้วก็มีวิบากแม้จิตพระราหารันยังมีหลายแบบเหมือนกันนะจิตพระราหารันบางดวงประกอบด้วยโสมนัสบางดวงประกอบด้วยอูเบกขาใช่ไหมไม่เที่ยงเหมือนกันนะเอแต่ว่าจิตทุกดวงนั้นไม่ไปยึดอะไร ความต่างม MM ันมีเท่านั t t ้นอะเพราะฉะั t t ้นอย่าไปกังวลเรื่องจิตไม่เที่ยงจิตต้องไม่เที่ยงรู้แล้วก็วางไปเลยวางไม่ได้มันวางเองสอนแทบตายยึดตีเลยเห็นไหมไม่มีใครทาจิตให้บรรลุมรรผลได้จำได้ไหมหนูมีหน้าที่ดูไปด้วยนะเห็นไหมจิตจะโกรธจิตจะโลบมันเป็นเองดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงนะ ไม่ใช่เราเราบังคับมันไม่ได้นี่ปัญญาอยู่ตรงนี้ต่หาไม่ใช่ปัญญาดูที่กูเก่งแล้วกูบังคับได้นะแล้วทําไมสงสัยว่าสมัยก่อนปีที่แล้วค่ะทําบุญแล้วปิติปิติเดี๋ยวนี้ทําแล้วมันนิ่งนิ่ไอ้นั่นมันเด็กเดกปิติแบบเด็กเด็กตอนเด็กเด็กนะไปเล่นดินเล่นทรายก็มีความสุขใช่ไหมเดี๋ยวนี้ให้เล่นดินเล่นทรายเอาแมา <c oughs> ่กูศนอย่างนั้นมันน้อยละมันเป็นกูศนพื้นๆไปแล้ว พอเรามาหัดภาวานานะเรื่องทําทานเรื่องอะไรนี่ไม่ค่อยปีติแล้วรู้สึกธรรมดาธรรมดาเออเหมือนแต่ก่อนนะเคยเล่นดินอยู่ขุดดินเล่นสนุกหรอกนะเดี๋ยวนี้ให้ไปขุดไม่เอาละโสมปลวนะตื้นไปไม่ดนะีเดี๋ยวนี้หันมาเล่นเครื่องเพชรเครื่องปลอยไม่เล่นแล้วก้อนกรวดขอบคุณค่ะดูไปไหมปรับแล้วดูไวปไหมดีแล้วค่ะดีแล้วนะ ต้องสู้นะอย่าใจอ่อนนะต้องสู้ถ้าหลวงพ่อปลอบนะยิ่งใจอ่อนต้องดูดูไว้ก่อนนามสการค่ะใจมันไม่เป็นกลางค่ะหลวงพ่อรู้ไหมรู้ค่ะแต่มันยังไม่ยอมรับค่ะเออไม่ยอมรับก็ทุกไปก่อนแล้วมันเหมือนภาวนาะไม่ค่อยก้าวหน้าหลวงพ่อจะให้ก้าวไปไหนอยากดีเออนั่นแหละอยากมันไม่ก้าวหน้าอย่างใจค่ะใช่ค่นะ สังเกตุสีสีนของเราดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะหลวงพ่อนั่นแหละก้าวหน้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นไหมใช่ค่ะนั่นแหละก้าวหน้าแต่เดิมก็ไม่เคยเป็นกลางเลยแต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้แล้วเนี่ยก้าวหน้าใช่ไหมก้าวหน้าตั้งเยอะแล้วจะเอาอะไรอีกขอบคุณค่ะอยากเร็วน่ะขอบคุณค่ะอยากเร็วยิ่งช้าค่ะความอยากนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อาศัยความอยากนะมาภาวนากภ า, าวน า, นกกาไปแล้ววันหนึ่งมันพ้นไปกราบในมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะเ อ, อช่วงนิยมเวลาโยมนั่งสมาธิปกติโยมเป็นคนนั่งไม่เคยหลับแต่นี้จะเอาแต่หลับจะไม่เป็นไรนั่งต่อไปเวลาจิตภาวนามาถึงจุดนี้นะมันเบื่อใช่ไหมนิพิธาเกิดแล้ว<ม>อย่าว่าแต่นั่งธรรมดานั่งคัดสมาธิ ยังหลับได้เลยค่ะเดินจงกรมก็เดินหลับได้นะจะเอาจะนอนเลยเจ้าค่ะอแต่แต่ว่าภาวนาไปไม่ผิดนะเจ้าค่ะไม่ผิดนะแต่ภาวนาไปนะหลับก็ช่างมันค่ะนั่งหลับไม่เคยหลับอย่างนี้เลยนะแต่น่าอะไรดีแล้วครับอันเนี้ยหลวงพ่อเคยเป็นเคยเป็นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งนั่งสมาธิไม่เคยหลับอ่ะนั่งมาตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบไม่นั่งหลับหรอกนะะราผลว่าช่วงหนึ่งหลับเอาหลับเอา ปีสองหกอ่เดินจงกรมก็หลับนั่งขัดสมาธิเพชรก็หลับนะไปถามหลวงปู่สิมใครรู้จกักหลวงปู่สิมบ้างมีไหมรู้จักแต่ชื่อเจ้าค่ะก็ย่างดียังรู้จักชื่อเคยฟังธรรมะบ้างหลวงปู่สิมไปบอกท่านบอกเนี่ยผมนั่งไม่มันหลับเดินก็หลับทำอะไรก็หลับท่านบอกว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรทำไปเถอะแล้วจะได้ของดีอะไรเงี้ยเอาจําคํำหลวงปู่สิมมาบอกนะไม่ใช่หลวงพ่อบอกเองนะ เจ้าค่ะคนข้างๆเขาบอกว่าเขานั่งแล้วโยกโคนเขาไม่กล้าถามนั่งแล้วเป็นไรนะโยกโคนค่ะวิโยกมันทําไมล่ะลืมตาลืมตารู้สึกตัวเพิ่มสติขึ้นนะสมาธิมันล้าหน้าสติไป <c oughs> ก็นั่งไม่เอาสมาธิอย่างนั้นไม่เอาสมาธิจิตต้องตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิแกว่งแกว่งบาปน้ำมัจา ก, การหลวงพ่อคะ่ะ หนูมีความรู้สึกว่าหนูภาวานาแล้วไม่ก้าวหน้าเลยค่ะเหมือนกับมันมันสับสนไปหมดเลยค่ะนั่นแหละหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้นหนึ่งก่อนค<ะ>จะพุโทโธจะอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยรู้ทันจิตไปนะถึงจะก้าวไปได้น ะ, ะอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งเวลาภาวานาเนี่ยไม่ใช่ตั้งควบคุมจิตร่งางบังคับจิตนะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่<ะ>แล้วจิตหนีไปเราค่อยรู้เอา รู้บ่ๆจีนี่มาอยู่กับเน้อกับตัวนะแล้วค่อยภาวนาต่อไปได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วนั่งแล้วอย่างนี้หน้าเนี่ยไม่ก้าวหน้าหรอโมหะแทรกครับาขอถามครับอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ฟังตอนที่หลวงพ่อเทศจบอ่ะครับเห็นหลวงพ่อเพิ่งเรื่องถึงเรื่องความหิวแล้วก็กิเลเรื่องความอยากถ้าถ้าเกิดมีความหิวในเรื่องของสมาธิอะครับอ ก็ทำไปก่อนเม <ะ S 1> ื่ อ, อก<ำ>ี้หลวงอเพิ่งตอบใครไปคนน่ะว่าทีแรกมันก็มีตันหาก่อนเนาะแต่อาศัยตันหาไปทำสิ่งที่ดีๆนะแล้ววันหนึ่งละตันหาได้พระนนท์เคยสอนไว้บอกว่ามีตันหาเพื่อวันหนึ่งจะละตันหามีมานาเพื่อวันหนึ่งจะละมานามีทิฏฐิเพื่อวันหนึ่งจะละทิฏฐิทิฏฐิคือความยึดในความคิดความเห็นของตัวเองอะ่นะให้รู้ทันมันงั้นไม่ใช่ว่า พอมีตัญหาอยากจะนั่งสมาธิพอรู้ทันแล้วเลยไม่นั่งไม่ใช่ะเวลาอยากจะนั่งสมาธิรู้ทันว่าใจอยากนั่งนั่นคือความอยากดับเออพอความอยากเราสติเรารู้ทันนะว่ามันอยากนั่งสมาธิความอยากดับปั๊บมันสมควรนั่งเรานั่งเนียเราไม่ได้นั่งเพราะอยากแล้วเรนั่งเพราะมันสมควรจะนั่งเวลาอยากกินข้าวเราดูไปความอยากดับเหลือความหิวกินไหมกิน ถ้าดูไปอยากกินข้าวดูไปความอยากดับหรือความตะกละไม่กินอยู่ที่เหตุผลนะใช้เหตุผลเอานะไม่ใช่ทําตามอยากหรอกคือตัวตัณหามา n นะความอยากจะเป็นตัวก่อให้เกิดสมาธิคือมันเป็นตัวกระตุ้ น, นเป็นตัวกระตุ้นนะเป็นโมดีฟเป็นแรงสับดันให้เราไปแสวงหาสิ่งที่ดีๆเมื่อกี้หลวงพ่อเเพิพ่ง พ, พ, พูดนะ ว่ากูศลเป็นปัจจัยให้อากูศนเป็นปัจจัยให้เกิดกูศนก็ได้อเร็นไหมงั้นไม่ใช่ว่าอากุศลเลวเสมอไปมันอยู่ที่ว่ามันจะพลิกไปเป็นกุศลเป็นไหมงั้นอยากนั่งสมาธิรู้ทันใจที่อยากไปเลยแล้วก็นั่งนะสมควรนั่งเนี่ยตอนนี้สมควรจะนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องขับรถทางไกลเนี่ยอยากนั่งสมาธิรู้ว่าอยากเี่ยหายอยากแล้วนอนเอ่อ รู้ว่าสมควรทำอะไรแต่ไม่ได้สอนให้นอนนะอย่ า, าไปอ้างอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวบอกหลวงพ่อประโมทสอนให้นอนไปเรื่อยๆมุขคนชอบอ้างธรรมะเราท่อนเดียวอ่ะอ้างไม่ครบเอาธรรมะไปอ้างใส่กิเลสได้นะเพราะงั้นเวลาตัญหาเกิดนะรู้ทันมันก่อนพอรู้ทันมันแล้วนะควรทำอะไรทำมันนั้นกับนมัสการพระคุณเจ้าอยู่ไหนล่ะอยู่ไหน <c oughs> ค่ะคือว่าเวลา ที่นั่งปฏิบัติอะค่ะจะเกิดทุกขเวทนาคืออาการปวดเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจารันค่ะพระอาจารย์ท่านบอกว่าให้กําหนดปวดแล้วมันจะเป็นขันติบารมีแต่ความปวดนั้นเราไม่สามารถทนได้เ้อทนเขาไม่ได้ขันติบารมีท่านตอบปลูกเป๊ะเลยเห็นอหมนั่งทนปวดได้ได้ขันติเห็นไหมแล้วถ้านั่งพลิกอีกนิดเดียวจะได้ปัญญานะเห็นเลยร่างกายที่อยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่ส่วนหนึ่ง ความปวดไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตความปวดเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้นี่เห็นอย่างนี้ได้ปัญญางั้นที่ท่านตอบตะเกี้ะถูกเป้เลยแล้วเรียนถามนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าควรหรือไม่ควรที่เราจะต้องทนต่อความปวดนั้นต่อไปหรือว่าเปลี่ยนอิริยาบถแล้ถ้าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญเราก็ต้องทนเอาแต่ลูกทนไม่ได้ทรมาร์แล้วมันทําให้เรารู้สึกไม่มีควาหลวงพ่อบอกไม่ต้องทนนะ้เดี๋ยวจะไปบอกหลวงพ่อจรัญว่าหลวงพ่อประโมทบอกไม่ต้องนั่งหรอก คือคือพระอาจารย์ท่านท่านท่านสอนว่าให้เราให้เราหาจริตของเราให้เจอใช่ไหมคะ<า>ว่า<อ>เราเหมาะ ก, ก, ก, กับอันไห น, นไว้ <c oughs> ต้องอย่างนั้นสิไม่ใช่ทุกคนต้องทาเหมือนกันเนี่ย <c oughs> แต่เราต้องระวงังอย่าเป็นเครื่องมือของกิเลสนะ <c oughs> เราเอาทัมมาของท่านมาแล้ ว, ลวเราพอเราชี้เกียดนั่งนะเราก็บอกนี่เราจะไปหาที่ถูกจริตแล้ว ูุจริตมีแต่นอนน่ะไม่ไหวอยงั้นนะยังยังค้นหาจริตของตัวเองไม่เจอรบกวนพระอาจารย์ได้โปรดชี้ทางเราเป็นคนช่างคิดนะ <c oughs> ตัวที่หนึ่งช่างคิดตัวที่สองรักสวยรักงามรักไหม <c oughs> รักสวยรักงามเนี่ยถ้าจะทําสมาธิทําความสงบนะพิจนารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาษามาเนี้ยใจจะแยงเลยจะกินข้าวพิจารณาลงไปนีสศพทั้งนั้นเลย <c oughs> นะลองดูนะร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของสวยงามของโสโครก นะอุตสาห์แต่งไว้ดีๆแล้วนะแป๊บเดียวเหงื่อโซมามามีแต่ขอ ง, สงโสโครกไหลออกมาเต็มไปหมดเลยนี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะใจะมันจะข่มราคะได้ใจจะค่อยสงบมีสมาธิขึ้นมานี่เราสมถะนะปัญญาเนี่ยถ้าใจเราเป็นคนช่างคิดช่างคิดไหมมากเจ้ค่ะเออถ้าช่างคิดมากเนี่ยคอยดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะไม่ต้องไปดูเวทนานะดูความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลงถ้าเวทนาก็เวทนาทางใจ ใจสุขใจทุกข์ใจเฉยๆแล้วก็ดูกุศลอกุศลทางใจพวกคิดมากให้ดูใจดูจิตไปจิตของเราเหมือนลิงที่โซนๆตัวหนึ่งอะค่ะจิตเหมือนลิงแต่จิตไม่ใช่ของเราค่ะพระอาจารย์ให้กําหนดรู้คือดูตามจิตที่ฟุ้งก็ให้กําหนดรู้<ด>มันอย่างนั้นนะกาหนดโดยภาษาหรอกจริงๆก็คือดูเอารู้เอาคำว่าวิปัสนาไม่ได้แปลว่ากาหนด มีปัศนามาจากคําว่าวิคําว่าปัศนะปัศนะการเห็นการเห็นวิคือเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกก็คือเห็นถูกเห็นไตรลักษณ์นั่นไม่ใช่เรื่องกําหนดหรอกกําหนดเป็นเวิร์ดดิ้งภาษาไทยเอามาใช้กันเองไม่ตรงภาษาบาลีจริงคือการเห็นเช่นความโกรธเกิดขึ้นเห็นเลยว่าความโกรธมันกําลังเกิดอยู่ความโกรธหายไปเห็นเลยความโกรธมันหายไปแล้วเห็นอย่างนี้ หนีไปคิดไหมนั่งฟังอยู่แบบเออต่อ่อยค่ ะ, อคะเออนะให้รู้ทันนะนใจฟุง้งนะท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดคแล้วก็เวลาจะกินข้าวเวลาจะอาบน้ำแต่งตัวเวลาขับถ่ายพิจารณาปฏิกูณอสุภะไปเรื่อยๆจำได้ไหม จำได้ค่ะจำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวหลวงพ่อก็ลืมแล้วได้อีกคนสองคนตอนนั่นนอขอขอเป็นไปสุดท้ายนะคะค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนค่ะคือจะขอการบ้านหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่ตอนแรกกะว่าจะมาส่งการบ้านแต่ตอนนี้ใจเริ่มหยางหยางอะค่ะก็คือจะขอ กก ไ, ไใครเจอหลวงพ่อก็กลัวนะกล <c oughs> ัวทำไมว่ากันบ้านไม่มีอะไระมีสติรู้กายรู้ใจนะแต่ทุกวันต้องทำในรูปแบบนะมีสัจจะมีความจริงตั้งใจไว้ทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินโจมกลมสิบนาทีก็ยังดีแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราเองไปเรื่อยๆวันไหนดูจิตออกดูจิตไปวันไหนดูจิตไม่ออก ดูร่างกายวันไหนดูจิตไม่ออกดูกายไม่ออกพุทโธไปเรื่อยๆหายใจไปเรื่อยๆทําสมถะนะเดินอย่างนี้บ่อยๆดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ออกดูกายเช่นเห็นกายพยักหน้าจิตสงสัยแวบขึ้นมารู้ว่าจิตสงสัยนะนะดูอย่างนั้นไปเรื่อยๆเวลารู้อย่าถลําลงไปรู้นะไม่ใช่กระโจนลงไปรู้ดูห่างๆดูแบบควนวงนอกดูห่างๆอย่ากระโดดเข้าไปข้างในนะ ขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณนะคะในทุกๆคําถามนะคะที่ให้พวกเราได้เจริญรุ่งเรืองในปัญญาด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญญาติที่รักทุกท่านนะคะได้น้อมถวายความเคารพแด่องคครูบาอาจารย์นะคะน้อมถวายพระธรรมคําสอนนะคะที่พวกเราจะน้อมนํากลับไปปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผลกันทุกคนคะ่ะกราบกราบ ก า, การในโอกาสนี้นะคะจะกราบขออนุญาตนะคะเข้าสู่การ น, น้อมถวายสังฆทานค่ะขอพวกเราได้ตั้งใจนะคะตั้งนาโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 โดยเครื่องสักการะนี้กราบอีมินาสกาเรนะธรมังอาภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมโดยเครื่องสักการะนี้กราบ อิมินาสก า, ร า, สการเรนาสังขังอภิปูชยาม ะ, าามะข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงค์งด้วยเครื่องสักการะนี้ร ก, ก, รนกราบ ส, สาธุวันท า, า, นทาคุณบิดามารดากราบ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 แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งเครื่องสังฆทานและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นพุท ธ, ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา บูชาคุณบิดามารดาและบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยอานิสง์แห่งการบูชานี้จงเป็นพระละว่ปัจจัยส่งผลใหใ้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เกิดปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงมรรคผลนิพานนพานในชาติปัจจุบันอาการนี้ด้วยเถินสาธุอุชอบมากเลยประโยคนี้มีอีกขอในอนาคตการนานไกลเอามันในชาตินี้แหละดีชาติดีข อ, อไว้ก่อนเจ้าค่ะกลับขอโอกาสให้คุณแม่ดรสนดนรุนันทาลีเลอร์พันธ์นะคะเป็นตัวแนทนพวกเราได้น้อมถวายสังฆทานแล้วก็ปัจจธยยธรรมค่ะ พวกเราประนมมือนะคะแล้วก็ตั้งใจเปรียบ <ใน S 1> ดัง <ใน S 1> พวกเรา <ใน S 1> ได้<ใ> น, น้อมถวายได้ตัวเราเอง<ใ> น, นะคะสาธุอนุโมทามินอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรดอกโบคูนะคะ <ใน S 1> สาธุอนุโมทามิจบแล้วใช่ไหม อ่ะรับพรซะหน่อยนะวันนี้เราเริ่มต้นจากการขอสีนะต้องมีสีนะแล้วไปฝึกจิตให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถัดจากนั้นมาเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ดูกายดูใจทำงานไอสิ่งที่เราอาธิฐานไว้ตะกี้จะขอมรรคผลนิพพานในชีวิตเนี้ยมันถึงจะเป็นไปได้ขอเฉยเยไม่ได้หรอก ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนตีสาครังเอวเมวะอโตตินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจจังุทธาปัจจายิโนจัตตารโรธรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพระลัง